เริ่มจะหนาวไปแล้ววันนี้หนาวนอกไม่เป็นไรอย่าให้หนาวใจก็แล้วกันหนาวนอกผ่านพ้นฤดูไปแล้วมันก็แล้วไปแต่หนาวในหนาวใจนี่มันหนาวอยู่นานหนาวในหนาวใจคือขาดคุณธรรม ไม่มีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่มันจึงไม่อบอุ่นมันจึงหนาวใจอยู่เรื่อยตัญหานั่นแลมันเป็นเครื่องทมให้จิตใจหนาวมันไม่มีผ้าห่มคือคุณธรรม ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาฉะนั้นทุกคนต้องบำเพ็ญศีล ส, สมาธิปัญญานี่ให้แก่กล้าขึ้นในตนมันจะได้เป็นเครื่องอบอุ่นใจเพราะใจนี้ถ้าปราศจากศีลมันก็ว่าเวไปไม่อบอุ่น หรือวิธีนั้นก็ร้อนเกินไปบาป ก, กรรมมันทำให้จิตใจเดือดร้อนบุคคลผู้ไม่สำรวมในสินยอมได้ความร้อนใจอยู่เสมอเมื่อไม่สำรวมในสินแล้วการทำจิตให้เป็นสมาธินั้นมันก็นับว่ายากเต็มที ดังนั้นจึงว่าความหนาวจิตหนาวใจในี่สำคัญดังนั้นอยาให้มันหนาวจิตหนาวใจให้มันอบอุ่นอยู่เสมอให้มันอบอุ่นอยู่ด้วย <c oughs> สติด้วยปัญญารู้จักสอนจิตใจตัวเองรู้จักสอนใจของตัวเองให้มัน เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นใจมันจะชู้รู้มันจะฉลาดขึ้นได้กพะพอรู้จักถอนตัวเองนี่แหละเช่นอย่าว่ากิเลสอันใดที่เรายัางระมันไม่ได้กําหนดกิเลสเรืเร่องนั้นมาแล้วก็มาพิจารณาให้เห็นโทษของมันแล้วก็สอนใจตัวเอง ให้ละมันพอเมือมันมีโทษเราไม่ทราบจิจะเลี้ยงมันไว้ทําไมเพื่อเลี้ยงกิเลสไว้มันก่อก่อแต่ทุกข์ให้อยู่อย่างนั้นไม่หยุดไม่ย้อนอุปมาเหมือนอย่างคนเลี้ยงงูพิษไว้ในเรือนอย่างนี้แหละถึงแม้ว่าจะให้มันกินดีอยู่ดีสักเท่าได แต่มันก็หาหายประโยชน์อันไรไม่ถ้ามันได้โอกาสเมื่อใดมันก็กัดเจ้าของผู้เลี้ยงเมื่อนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยกิเลสนี้ก็เวลามันไม่ได้โอกาสมันไม่มีเหตุปัจจัยมันก็นอนนิ่งอยู่ในใจนั่นแหละเหมือนกับว่าไม่มีกิเลสนี่นะ่ะ ท่านพอมันได้เหตุผลเพียงพอแล้วมันก็ลุกขึ้นมันก็เผาจิตให้เดือดร้อนดังนั้นคนเราอ่ะมันจึงดิ้นไปแสวงหาหรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแม้จะทุกข์ยากลำบากอย่างไรก็ตามเพราะว่าความอยากในหัวใจน่ะมันมากมาย ไม่สามารถที่จะยับยั้งได้จิงได้ดินรนแสวงหาไปไม่หยุดไม่ยังขึ้นเชื่อว่าการแสวงหาแล้วจะมาให้เป็นทุกข์เดินไม่ได้เลยท่านผู้ไม่แสวงหาอะไรนั้นได้แก่พระพุทธเจ้าหรือพระอราหันต์ทั้งหลายหมายความว่าจิตใจของท่านไม่ไปแสวงหา พอใจหรืออยากได้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจในโลกนี้แล้วก็จิตของท่านไม่เที่ยวไปแสวงหาเหตุนั้นถึงไม่มีทุกข์อันผู้มีทุกข์อยู่ในโลกนี้ก็เพราะจิตนี่แหละมันเที่ยวแสวงหาวัตถุดังกล่าวมานั่นแหะ ไม่มีเวลาอิ่มเลยได้มาแล้วเท่านี้ก็ยังไม่พอก็อยากได้อีกแม้จะเหลือใช้แล้วก็ตามไอความอยากในหัวใจวมันก็ยังไม่พออยู่นั่นแหละจึงดิ้นหาอยู่อย่างนั้นไม่หยุดไม่ยัง้งเมื่อใจมันน้อมไปตามอำนาจแห่งตัณหาแล้วมันก็ลืมสิ้นลืมทำลืมบุสร้างบุญสร้างกุศลให้เจริญ ง, งอกงามขึ้นในตน เรียกว่ามันไปห่วงตั้งแต่ทรัพย์ภายนอกไม่ห่วงทรัพย์ภายในคือบุญกุศลหรือสติปัญญาอันจะพาให้เอาตัวรอดไปจากทุกภัยในวัฏสงสารนี้ไม่สนใจก็แต่ให้ได้แต่เงินแต่ทองเข้าของมาเป็นอันว่าพอแล้วนี่คนผู้ถูกความอยากมันท่วมท้นเอา ความไม่รู้ครอบงำจิตใจมันก็ให้ทําไปในสิ่งที่มันประกอบไปด้วยทุกข์นั่นแหละการทํานั้นไม่เป็นทางออกจากทุกข์ได้เลยให้คิดดูให้ดีการกระทาที่มันจะเป็นทางออกจากทุกข์ได้นั้นก็คือพิจารณาในตอนตอน้นตาม พุทธบัญญัติที่ห้ามไว้ก็เห็นว่าสงควรจะปฏิบัติตามแช่ก็ทําไม่ปฏิบัติตามแล้วก็จะสร้างบาปขึ้นในตนพิจารณาเห็นคุณแห่งพุทธบัญญาชนนี้ก็ไม่ทําไม่พูดไม่ร่วงเกินพุทธบัญญาชนนั้นเช่นนี้ละมันก็ทําให้ตัณหาความทยานอยาก อันส่วนหยาบๆนันมันรงับลงันไนอย่างนั้นตัณหามันมีหลายประเภทนะตัณหาพาไปสู่นรกอภัยภูมิก็มีตัณหาพาไปสู่สวรรค์ก็มีตัณหาปายท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ก็มีตัณหามันหยาบมันละเอียดกว่ากันเบนขั้นๆขึ้นไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ ปฏิบัติธรรมนะ่มันต้องพิจารณาดูในจิตของตัวเองว่ามันสะสมตัณหาประเภทไหนไว้ภายในจิตใจนี่ก็ให้รู้เมื่อไม่รู้มันจะละมันได้ยงังไงอ่ะถึงแม่รู้แล้วถ้าไม่เห็นโทษของมันมันก็ไม่ยอมละอะมันเป็นอย่า ง, งั้นทั้งรู้ทั้งเห็นแล้วทั้งเบื่อหน่าย พะเห็นว่ามันประกอบไปด้วยทุกข์ด้วยโทษนานาประการเบื่อนายด้วยปัญญาแล้วก็สามารถละตัณหาได้นี่แหละข้อสำคัญนะกิเลสต่างๆตัณหาก็นีบุคคลจะละได้นั้นเพราะว่าพิจารณาเห็นโทษของมันเมื่อเห็นโทษของมันแล้วมันก็ไม่ปารถนาที่จะ ยึดถือเอามันไว้เหมือนอย่างบุคคลผู้ที่ไปจับงูเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อรู้ว่างูมีพิษและวมันก็สลัดทิ้งไปเลยอะ่ะก็ไม่ยึดถือเอามันไว้แล้วถ้าขืนจับมันไวน้นเดียวมันแว่งเข้ามาใส่ตัวเองอปล่อยพิษเข้าในร่างกายก็ต้องได้รับทุกขเวทนาอย่างแรง หรือไม่แสดงก็ถึงตายนี่กิเลสตัณหาก็เป็นเช่นนั้นแหละกิเลสตัณหา ย, ยังมีพิษร้ายกว่าพิษงูเพราะมันทำพิษให้ข้ามภพข้ามชาติไปนูน่นส่วนพิษงูมันมีแต่เพียงทำพิษให้ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองมัน อ, อย่างสูงสุดก็าตายตายแล้วมันก็เลี้ยงไปมันไม่ตามไป ให้เจ็บให้ปวดในโรคหน้านนะต่อไปอันกิเลสตัณหานี่ผู้ใดสร้างขึ้นแล้วไม่ยอมละมันนะ่ะมันติดสอยคอยตามไปทุกแห่งทุกผลทุกศาต์ทุกพพทําพิษให้แก่ตัวเองอยู่อย่างนั้นแหละแต่บางคนก็ไม่รู้สึกตัวเมื่อไม่รู้สึกตัวมันก็ไม่มาพิจารณาเห็นโทษของกิเลสเหล่านั้น มันจึงในตกเป็นทาาของกิเลสเช่นั้นไปชาติแล้วก็ชาติเล่าก็ลองคิดดูว่าเกิดมาในโลกนี้แสวงหาเงินทองได้ละมากมาไม้กายกองบางคนเขาจนเรียกว่าเศรษฐีหรือว่าอาเซียอย่างนี้คนะั้นเมื่อดับคั้นมันไล่ไปสมบัติหล่รนั้นก็ตกอยู่ในโลกนี้ เอาติดตัวไปก็ไม่ได้เลยถ้าเศรษฐีนั่นหากไม่ฝึกฝนจิตใจไม่ควบคุมจิตใจไว้ตายแล้วมันก็มาเกิดเป็นสัตว์ต่างๆเช่นเป็นหนูบ้างเป็นตุกแก่บ้างอะไรพว น, นี้เฝ้าสมบัติอันนี้อยู่นี่แหละเพราะจิตใจมันหวงเช่นนั้นหละคนเราจะไปชอบ เกิดเป็นหนูเป็นตุกแก่ไม่ใช่เป็นของดีอ่ะการเกิดเช่นนั้นเน่ะมีตะกองทุกข์ใจของคนเราเนี่มันตกต่ำไปด้วยอำนาจของตัะหาเนี่ยนับว่าเป็นความจริงทีเดียวผู้ดใดพิสูจน์ตัวเองได้พวนั้นก็รู้แหละรู้ว่าตนนั้นตกเป็นทาสของตัะหหาแล้วมันมีความทุกข์อย่างไรบ้าง มันรู้เองนะตรงนั้นนะถ้าอย่างนั้นก็จะให้มีแต่คนละาตัญหาหมดเหลือจะไม่ให้มีคนครองเรือนบ้างเหลือบางทีก็อาจจะมีผู้ถามมาอย่างนี้ก็ได้ไม่ใช่เช่นนั้นก็อย่างที่พูดมาแล้วนั่นแหละตัหา นี่มันมีหลายขั้นตอนเช่นเมื่อบุคคลลาตัหาประเภทที่จะนำให้ทำบาปมีฆ่ า, าสัตว์เป็นต้นนั่นแหะเมื่อลาดได้แล้วอย่างนี้ก็ยังบริโภคการรมอยู่นั่นแหละยังครองเรือนอยู่นั่นแหละแต่ไม่ทำบาปเท่านั้นเองอนี่ลูกมีหลานอยู่นั่นแหลหาเงินดองเก้าของอะไรก็หาโดยทางสุดจริต เมื่อได้มาแล้วก็กินบ้างทานบ้างสงเคราะห์ญาติบ้างทำบุญอุทิศให้แกผ่ผู้วายชนไปบ้างเสียภาษีอากรให้แก่หลวงบ้างเมื่ อ, เ ม, อเมื่อมีเงินมีทองมาแล้วเรารู้จักให้รู้จักใจ่ายให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นอย่างนี้นะมันก็ดีสิเป็นประโยชน์นะไม่ได้ทุกข์ใจหลาย ถ้าบุคคลมีเงินทองมาแล้วหวงไว้ท่านจะใช้ใจ่ายกลวมจะหมดจะสิ้นไปเลยมีแต่หวงแต่ห่วงอยู่อย่างนั้นนะอันนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีโทษมีทุกข์ําไปเลยนั่นแหละพอหวงไว้อย่างนั้นแล้วเงินทองเหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไระไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแก่ตนเองแกผู้อื่นอันนี้ พูดถึงตัญหาความอยากอุปทานความยึดถือของคนเราเป็นอย่างนี้แหละมัน พ, พระพุทธเจ้ายัางสองเ่ามันเป็นทุกข์นั่นแหละมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันก็เป็นความจริงเดีวบางคนมาใช้ปัญญาคนคว้าดูอย่างนี้แล้วมันก็ย่อมเห็นได้แท้แทนะ้นะ่ผู้ใดพี่นาเห็นได้อย่างนี้แนละ้วผู้นั้นก็ไม่สะสมตัญหาให้หนาะแน่นขึ้นในใจ ละความอยากอันนี้ให้มันน้อยบาบางลงว่ามันไม่ละไม่ขาดจริงๆก็ให้ละตัณหาประเภทที่มันไม้ไปทาบาปมีข่าสัตรูเป็นต้นทั้งกรับมาแล้วให้ละตัณหาประเภทนั้นให้ได้นวก็นะ ว, ว่าเราก็พ้นทุกไปได้ขั้นหนึ่งทุกในขั้นต้นนะทุกที่เมื่อละโลกนี้ไปแล้ว บาปกรรมนะ้่มันจะนำไปสู่นรกอวนะัยภูมิยนี่ยนนีะ่ทุกข์ขัยนหยาบนยถ้ารละตัณหาประเภทนั้นได้แล้วก็มันก็เป็นสุขขึ้นมามากมายถึงแม้จะมีทุกข์มันก็ทุกข์ไม่มากทุกข์แต่เพียงเที่ยวเกิดเทีเ่ยวตายเท่านี้แหละแต่ว่าเกิดก็เกิดดีอย่างเช่นบุคคลผู้ละบาปไปแล้วอย่างนี้นะ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวมุสาวาทไม่ดื่มสุราไม่ไรกัญชายาฝินเฮโรอีนอย่างนี้ก็เป็นผู้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษต่างๆในโลกนี้ในชีวิตนี้เมื่อชำระตนได้บริสุทธิ์จากบาปในชีวิตนี้แล้วตนเองก็รู้ตัวเองว่าตนเองไม่ไปสู่ทุ ก, กตินี่ก็ได้ความอุ่นใจแม้จะมี ร่างกายสังขาร น, นี่มันไม่เที่ยงมายังยืนมีโรคภัยเวียดเวียนมีการจำรุดสุดโทรมลงไปมันก็ไม่เป็นทุกข์เกิดร้อนน่ะใจอันเนี้ยเพราะว่ามันได้บุญได้คุณเป็นีิพึ่งคนเราเมื่อราตัญหาประเภทยามๆนั้นได้แล้วมันก็ทำบุญกุศลได้ทาประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นได้เต็มที่เลย สมควรสละทรัพย์สมบัติออกไปก็สละออกไปสมควรใช้กำลังกายทำกิจส่วนรวมก็ทำลงไปสมควรได้ใช้วาจาชักจูงผู้อื่นให้ทำความดีร่วมกันอย่างนี้ก็ขอใช้วาจาอ น, นันไปนี่เมื่อเราเว้นจากบาปจากโทษดังกล่าวมานั้นแล้วลงมือทำอะไรไปมันก็เป็นประโยชน์ ทั้งนั้นแหละเป็นประโยชน์แก่ตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อืน่นเช่นนั้นก็ได้ความอุ่นใจในวันนี้นะใจไม่หนาวแล้วอุ่นอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนี่ทุกคนในสร้างที่พึงอันอบอุ่นขึ้นในจิตใจของตนให้ได้อย่าได้ลืมตัวเองเมื่อลืมตัวเองแล้วก็อ่านตัวเองไม่ออกเลย ว่าตนเองอันหนาวเพราะอะไรมันถึงหนาวใจมันอยากจะได้ความอบอุ่นใจอยู่เรื่อยไป น, นี้นั่นนะสแสดงว่าตัณหาแรมทำให้ใจหนาวดังนั้นเราก็หาผ้าคือบุญกุศลคุณพระรัตนกลายนี่แหละมาหมจิตทมใจอันนี้ให้มันอบอุ่นเข้าไปเอาปัญญาเข้ามา พอเมื่อปัญญามันเกิดแล้วมันย่อมรู้แจ้งในเหตุปัจจัยของชีวิตในธรรมเป็นจริงก็เมื่อมันไม่เที่ยงก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงจะไปเดือดร้อนกับมันทําไมอ่ะมันทนมันเป็นทุกข์ทนได้ยากก็รู้ตามเป็นจริงว่ามันเป็นทุกข์ทนได้ยากเหตุที่มันจะเป็นทุกข์ทนได้ยากก็เพราะมันไม่เที่ยงนี่มันมันวนเวียนกันอย่างนี้ ถ้ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์แลสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราเลเราบังคับมันไม่ได้มันถึงเป็นทุกข์อะถ้าบังคับมันได้มันก็จะเป็นทุกข์อะไรแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราปฏิบัติธรรมเนะี่ยจึงให้ถือว่ามันเป็นกิจประจาตัว ที่เราจะต้องทำถ้าไม่ปฏิบัติธรรมตัญหามันก็แผ่ขยายออกไปครอบคุมจิตใจในอย่างกว้างขวางเลยเพียงไปไหนก็เจอแต่ความอยากได้อยากมีอะไรต่ออะไรอยู่อย่างนั้นระงับความอยากในหัวใจตัวเองไม่ได้เลยเมื่อความอยากมันท่วมท้นหัวใจออมากเข้าไปมันก็เป็นทุกข์แล้ววันี้ จิตใจก็วุ่นวายเดือดร้อนนะเลยเมื่ออย่างร่างกา ย, ยาคนนอนเนี่ยเมื่อโรคภัยมันเบียดเบียนเข้ามาบีบคั้นเข้ามามันก็กระวนกระวายบางรายก็นอนกลิ้งไปกลิ้งมาเจ็บปวดทุกขเวทนาหลายหรือว่าหนาวหลายร้อนร้ายอย่างนี้นะนี่เรียกว่า ถ้าไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ทุกขยากของร่างกายฉั้นใดอันจิตใจนี้ถ้าปล่อยให้ตัณหาอาวิชชาครอบงามอย่างว่านั้นมันก็หาความสงบไม่ได้เลยเด้นลนกระเสือกกระสนอยากได้อะไรต่ออะไรตามที่มันมองเห็นว่าควรจะได้นั่นแหละก็จึงใช้กายทำใช้วาจาพูดไป บางทีมันไปอยากได้ในสิ่งที่มันเป็นบาปเป็นโทษมันก็ยอมอ่ะมันจะเป็นบาปเป็นกรรมยังไงก็แล้วแต่มันยอมทั้งนั้นเลยอันนี้ละเพราะฉะนั้นจึงว่าคนเรามันจึงทำบาปได้เพราะตัณหามันหนุนหลังนี่บุคคลวันเอาชนะตัณหาอย่างเงีาบก็ไม่ได้ดังนั้นถึงได้ลงมือทาบาปทากรรมแล้วพอมีอวิชชาก็ไม่รู้ค้อบงม จ, จิตใจ จึงไม่เห็นทางออกจากบาปจากโทษต่างๆเหล่านั้นดังนั้นองค์สมเด็จพระภุริภาเก้าจึงได้ดทรงแนะ น, นำสั่งสอนพุทธบริษัทให้ยินดีในการสดับตรับพังเมื่อพังม่อยๆเข้าเหตุผลเรื่องบาปเรื่องบุญคุณโทษเหล่านี้ก็ปลากฎเจมแจ้งในใจทำให้ใจเบิกบานผ่องแผ้ว ทำให้ใจเบื่อหน่ายต่อกิเลสต่อบัพทำทั้งหลายเหล่านั้นปรารถนาที่จะละมันไม่ปรารถนาจะเลี้ยงมันไว้ดังพระบรมศาษษษสตรดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นั่นแหละเมื่อพระองค์เสด็จประพาสสวนอุทยานไปทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเข้าแล้วก็ยังสังเวชสรดประหาหรือไทย ว่าพระองค์ก็คงจะแก่เจ็บตายเหมือนกับคนเหล่านั้นเพราะว่ามีธาตุสี่กันห้าเหมือนกันนะไม่ใช่แตกต่างอะไรกันเนื้อแท้ของร่างกายนี้นะแตกต่างตั้งแต่ลักษณะของรูปร่างผิวพรรณอันบุญของพระองค์มากมายกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายหากมาตกแต่งให้ มีบุคลิกลักษณะพร้อมมูลบริบูรณ์มีลวดลายอยู่ฝาพระบาทอยู่ฝาพระหัตหมูนนี้นะคนดรวราสามันไม่มีนั่นลดังนั้นนะ่ะขอให้พากันคิดให้ดีไอ้เรื่องบาปเรื่องบุญน่ะมีจริงๆนะการที่คนเราท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายทนทุกข์อยู่ในโลกอันนี้นะ ก็พอกี้เลยบาปธรรมนี่แหละอย่าไปโทษอย่างอื่นเลยก็อย่างที่พูดมาแล้วนั่นเองเมื่อบุคคลร่วมหน้าแก่ตนาปล่อยให้ตนามันเป็นนายหัวใจตนามันก็บังคับให้ไปแสวงหาเงินทองเก้าของไม่หยุดไม่ยั้งบางคนไม่มีเวลาพักผ่อนเลยอ่ะทํางานเกินขอบเขตเกินเวลาเกินกว่ากําลังเขาตัวเอง อย่างนี้แล้วร่างกายนี้มันก็ทนไม่ไหวก็ทรุดโทมลงไปเขาเรียกว่าป่วยเย็นน่นะนะจะตายก็ไม่ตายมันจะหายก็ไม่หายเพราะมันเสียเส้นอย่างนี้ก็ซักซักโดยๆอยู่น้นแล้วทำการงานอะไรก็ไม่ได้แล้วเนี่ยต้องอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่นะนี่มีนะมีจริงๆนะบางคนมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันตกเป็น่าตุแห่งตนาไม่รู้จักประมาณในการทำการทำงาน ไม่ฉลาดพักผ่อเอาแต่อยากได้เป็นประมาณอันนี้มันก็เห็นได้ในปัจจุบันนี่แหละที่วาตถหามันเป็นเนี่ยได้เกิดทุกข์นะเห็นได้ในปัจจุบันเนี่ยลองพิสูจน์ดูอ่ะถ้าตนเองม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ดูคนอื่นคนที้ตกเป็นทาสของตัณหาลนะมันเป็นทุกข์อย่างไรบ้างนี่เราต้องสังเกตดูด้วยตนเองเนี่ยคนเรา บุคคลที่ไม่รู้อํานาจแกกิเลสตัณหาผู้ครองเรือนอยู่มันก็ทําได้ถ้าตัณหาอันใดที่จะพายไปทําบาปทํากรรมันชั่วรด้เนี่ยนะละตัณหาอันนั้นเนี่ยให้ได้อย่างนี้เรามันก็นวัถานดีนะเมื่อละตัณหาอันนั้นที่จะพาไปทําบาปได้นะมันก็ยังมีความสุขอยู่มากมายกายกองเลยถึงแม้จะยังไม่บรรลุพระนิพพาน ละโลกนี้ไปแล้วก็มีสวรรค์เป็นที่ไปพพวกเทวดาที่เกิดอยู่บนสวรรค์ตัณหาไม่มากเหมือนมนุษย์เราอ่ะเพื่อนตัณหาเพื่อนน้อยลงเพื่อนละตัณหาอัญหยาบพายที่พ า, ทพา้ทำบาปในโลกนี้ได้แล้วมันถึงได้ไปเกิดอยู่สวรรค์คนเรานะให้เข้าใจถ้ายังละบาปห้าประการนั้นยังไม่ได้นะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสวรรค์ได้ ขอย้ำอีกเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปติดแต่ความสุขอันตัญหามันแต่งให้นี่เท่านี้เลยตัญหามันหลอกล่อให้คนติดอยู่ในทุกข์มันต้องรู้อย่างนั้นไม่เช่นั้นแล้วก็ทนทุกข์ไปไม่ได้สักทีเมื่อคนมาละตัญหาประเภทที่ไปทำบาปนั้น ได้แล้วอย่างนี้มันก็มองเพียนพยายามละตัณหายอย่างกลางให้มันเบาบางออกไปจา ก, กจิตใจนี้คู่ใดละตัณหาดอย่างงาบได้แล้วนั้นส่วนมากก็มาเป็นนักบวชนี่มาบวชกัน่ไอ้ผู้พูดอยู่นี่มันก็พิจารณาเห็นบาปกรรมนี่แหละส่วนหนึ่ง ผลักดนให้ออกบวชคิดว่าถ้าขืนอยู่ครองเรือนไปเนี่ยมันจะทําบาปอย่างนี้นะแล้วเราไม่ต้องการจะทําบาปอนี้ก็จะทําไปทําไมอายุของคนไม่ถึงร้อยปีซ้ําเดียวก็ตายแล้วตายแล้วพระบาปกรรม น, นมันนําไปสู่นรกนี่เคยคิดเหมือนกันเนี่ยแต่ก่อนนะตอนบวชมาปีที่แรกก็คิดมันอยากถึกเนี่ย อาถ้าศึกไปแล้วก็ไปทำมาหาเลี้ยงชีพมีครอบครัวตัวเรือนเข้าไปอย่างชาวนาชาวชวนอย่างเรานะมันไม่พ้นจากการฆ่าตัดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเลี้ยงครอบครัวมองเห็นได้ชัดอยู่นะมันต้องไปทำบาปแน่นอนนี่อ้เมื่อทำบาปกรรมไปแล้ว มันนี้ร่างกายนีมันไม่ได้เสวยพรนะ้น่ะมันหมดบุญเก่ากรรมเก่าแล้วมันก็แตกดับทำลายลงแต่จิตดวงนี้สิบาปกรรมมันแต่งร่างสัตว์นรกให้อาศัยหรือถ้าบาปไม่มากถึงขน้นมันก็ไปแต่งร่างของเปรตสิให้อาศัย เรานี่ยทนทุกทรมานอยู่ในนรกในเปรตตวิสัยนั่นแหละนานแสนนานนะในเรื่องอย่างนี้นะถ้าเราไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกคนนะผู้ใด ไ, ไม่เชื่อก็อแล้วฟ้ายไม่มีใครว่าอะไรแต่พวกพูดอยู่นี้เชื่อมั่นร้อยเปอร์เซ็นตะ์ เชื่อมั่นว่านรกมีจริงนะบุคคลทาบาปมีพานาติบาตเป็นต้นถ้าไม่เลิกละนะพอใจทาอยู่นั้นไปจนตลอดชีวิตอะ่ะมีนรกเป็นที่ไปแน่นอนเลยทีเดียวเป็นเสียแต่ผูใ้ใดรู้ตัวแล้วไมจรู้ตัวในในระหว่างวัยกลางคนหรือวัยแก่อย่างนี้มันก็มีโอกาสที่จะละบาปหลาน้นได้ มีโอกาสที่จะพ้นจากบาปเหล่านั้นได้อยู่บาปเหล่านั้นจะไม่พาไปสู่นรกได้เพราะฆ่าสัตว์อย่างนี้จะทําไมไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นต้นแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ ม, มันก็มันก็สามารถละได้อืมันจะไม่พาไปสู่อเวจีมาน ร, รกโทษของการฆ่าสัตว์ธรรมดา ไม่ใช่สัตว์ผู้มีพระคุณอย่างที่ว่านั่นเช่นนี้นะผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นแล้วเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ตรัสจริงมีจริงอย่างนี้ผู้นั้นมันก็เว้นบาปได้เท่านั้นเองนะถ้าผู้ใดยังมีความเห็นแตกต่างจากคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ออกไปแล้วมันก็ลาบาปไม่ได้จริงๆเนะี่ย ถ้าเห็นลงไปว่าไอ้นากแต่มันเป็นแต่พูดมาขู่กันให้ไม่ให้เบียดเบียนกันในปัจจุบันชาตินี้เท่านั้นแหละนรกในโลกหน้านั้นไม่มีหรอกนี่นะถ้าหากว่าบุคคลมาคิดเห็นอย่างนี้แล้วแน่นอนแหะละบาปไม่ได้ต้องทำบาปไปเรื่อยๆเพราะมันมันรู้ว่า าการกระทำความชั่วอย่างนี้มันไม่มีผลตามสนองไปในโลกหน้าอะไรเลยถ้าว่ามันจะมีผลก็มีแต่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเช่นติดคุกติดตารางถูกปรับไหมใส่โทษต่างๆมุ่นี้นั่นอย่างนี้เขาว่าเขามีทางหลีกเลี่ยงคนผ่านเ่ยคนไม่มีปัญญา ปัญญามีอยู่แต่ปัญญาไปหลีกเลี่ยงาจากหนทางไปสู่วสวรรค์นิพพานแต่ดำเนินไปสู่นรกอบายภูมินั่นเขาเขาว่าเขามีปัญญ า, เ, าเรืองมันนะแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านมองเห็นว่าคนผู้ใดละบาปไม่ได้คนผู้นั้นไม่มีปัญญา แม้ว่าจะมีทรัพภายนอกมากมายกายกองเท่าไรมันก็เอาตัวรอดจากบาปจากโทษไม่ได้เมื่อลาโลกนี้ไปแล้วมันก็ไปสวยทุกอยู่ในโลกหน้าต่อไป mm. เช่นนั้นแล้วจะถือว่ามีปัญญาอย่างไรแล้วอย่าคิดดูให้ดีคนเราอะ mm. เราพระพุทธเจ้านะสร้างบารมีมาตั้งสี่อสงไขยปลายแสนมหากับ ชาตินี่นะแค่ว่านานปันเนยบุญบา ร, รมีของพระองค์ที่สร้างมานั้นเรียว่ามากกว่าคนธรรมดาสามัญนนะไม่ใช่นนั้นแล้วพระองค์จะไม่รู้จักคนทางตัตรรู้โดยพระองค์เองเลยเรามาเชื่อพระปัญญาตัตรรู้ของพระพุทธเจ้าดัางกล่าวมาเนี่ยโดยเหตุผลแล้วะ่ะเหตุที่พระองค์จะรู้แจ้งทั้งโลกนี้โลกหน้า ตลอดถึงรู้แจ้งถึงพนิพาณได้ก็เพราะบุญสรุปลงแล้วนะเพราะองค์สร้างบุญมามากกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายจึงได้ค้นคว้าหาทางพนิพาณรู้แจกก่อนคนอื่นทั้งหมดไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำสั่งสอนเลย บางคนก็อาจไม่เชื่อเลยก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าสร้างบุญบารมีมานานแสนนานนี่ถาว่าไม่ใช่ปัญญาแล้วมันยากที่มันจะเชื่อเรื่องศาสนาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นดังน้นทุกคนได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไมให้ใช้ปัญญาน ะ, ะใช้ปัญญาใข้ครวนพิจารณาเหตุผลโดยตนเอง ให้มันรู้มันเห็นขึ้นมาด้วยตนเองมันถึงจะเชื่อมั่นในใจสำหรับพวกผู้จ้านี้มีความเชื่อพระปัญญาตรรูของพระเจ้าร้อยเปอร์เซนต์เลยไม่สงสัยลังเลเลยเหตุที่จะออกบวชมาแล้วไม่สึกไปจนเฒ่าจนแก่ก็เพราะกลัวทุกข์ใครในนรกอภายภูมีหนห้น เป็นบงเบื้องต้นต่อมาก็กลัวต่อความเกิดแล้วแก่เจ็บตายไม่รู้จักเกิดจักสิ้นนี่มันถึงไปปรารถนาที่จะไปตกเป็นทาตของตัณหาอุปาทานเหล่านั้นเลยเพราะว่าอุปาทานนี่มันเป็นปัจจัยเบื้องเกิดพบพบเป็นปัจจัยเบื้องเกิดชาติมันต่อเนื่องกันไปอย่างนั้น ชาติก็เป็นปัจจัยบังเกิดชลามารณะโกะปริเทวทุกโตโวมนต์อุฟายาตนี่อย่างคนเราเกิดมาในโลกนี้เนี่ยในชาตินี้ถ้าบุคคลใดไม่มารู้คำสอนของพระพุทธเจ้านี่ยนะก็ถูกความทุกข์ความโศ ก, ก, กเศร้าเสียใจที่ไร้ลำพันต่างๆครอบงำจิตใจอยู่นั้น บางคนเกิดโมโหโท โ, โถอย่างร้ายแรงผู้ชายไปฆ่าเมียตัวเองตายลงไปแล้วกะจึงนึกได้วันนี้ท้เมียเราหนอแม้เขาทำผิดเพียงเท่านั้นหนึ่งแต่ก่อนเขาก็ทำดีมาเราก็ไม่ให้ใหอภัยเขาเราไปฆ่าเขาตายเสียแล้ว ไม่หนีแล้ววันนี้นั่งร้องไห้เฝ้าโบเมียอยู่นั้นเนี่ยจนกว่าเจ้าหน้าที่เขาจะมาเ้ามาจับใส่กระแจมืออ่าไปเข้ากงขังคนจังลเลยรู้สึกสำนึกตัวมันสายเสียแล้วมันแก้ไม่ตอกต้องไปติดคุกติดตารางหยุดนมนาดก้าล ไอติดคุกอยู่ในโลกนี้สมัยปัจจุบันนี่นะมันก็ไม่เท่าไรหรอกเพราะว่ารัฐบาลเขาเลี้ยงให้อิ่มน้ำสำ้ำล้านให้นอนดีไม่เหมือนไ ม, ไม่เหมือนนักโทษแต่เมื่อก่อนแต่ถึงอย่างไรมันก็ไม่มีอิสระเสรีเขาก็ต้องบังคับอยู่อย่างนั้นแหละจะไปไหนตามใจชอบไม่ได้เลย คนผู้มีปัญญาเขาจงไม่ปรารถนาไปเข้าคุกเพราะไม่มีอิสระเสรีอะไรเขาบังคับไม่ทาอะไรจริงได้ทําเขาไม่ให้ทําอย่างไรทําไม่ได้อันนี้มันก็ยังพอทําเลาหรอกทุกในการติดคุกติดตารางนี่นะในโลกนี้นะบัดเมื่อละโลกนี้ไปแล้วนั้นสิบาป ก, กรรมไม่ใช่ว่ามันหมดพอไปติดตารางในโลกนี้นะ มันไม่หมดหรอกอันนั้นมันหมดโทษแต่กฎหมายบ้านเมืองเขาตัดสินลงโทษเอฉยๆทบาปกรรมที่บุคคลผู้นั้นทำนะ่ะมันยังติดตามไปอยู่ยังถุดคร่าไปสู่นรกอวัยภูมิได้นี่มันเป็นอย่างเงี้ยเรื่องตัญหานี่มันไม่ใช่ว่าคงที่อยู่ได้นะความรักนี่นะ เมื่อเวลาความรักมันยังแน่นหนาอยู่นั้นเออธนุธนอมก็ได้มีเมีย ม, ม, มีผัวเข้ามาแล้วก็ดีธนุถนอมกันเป็นอย่างนี้ไม่ทำอะไรให้กระทบกระเทือนจิตใจแล้วมาทีนี้เมื่อไปๆมีเรื่องขัดข้องมองใจกันเข้าไม่ลงรอยกันได้บนี้เอาแล้ว รังเกียจสุดขีดเลยวันนี้เบือ่ออไอ้เคยรักกมาทพก่ อ, อนหายไปความโกรธเกิดขึ้นมาแทนแล้วเมื่อระงรับความกรัวไม่ได้มั น, ม, นมันก็กลายเป็นโทสะพยาบาทไปก็ลงมือประหัตประหารกันดังกล่าวมานั่นเนะี่ยนี่นะโทษแห่งตัณหานี่ มันพาไปสู่นรกอบายภูมิได้จริงๆเลยทำไปอย่างนั้นนรกของมนุษย์ก็ได้แก่คุกตาราง น, นั่นแหละหลังจากตายละโลกนี้ไปแล้วเอาก็ไปตกนรกในเมืองผีใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามแต่กฎธรรมดามันังมีอยู่อย่างนั้น โดยเหตุผลแล้วนะมันมีเพราะว่าบุคคลใดทําเหตุอย่างไรผลมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็บุคคลระเบียดเบียนชีวิตของอื่นไะด้เป็นทุกข์หนี่งถึงให้รบไม่ตายอย่างนี้นะเนี่วยวันนี้กรรมนั้นมันไม่สนองในปัจจุบันนี้นะคนมันถึงไม่กลั ว, ลวนะั่นแหละแต่ตนไปฆ่าเขาตายเขามาแล้วอย่นี้ มันมีคนอื่นมาฆ่าให้ตัวเองตายลงไปอย่างนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้ทุกรายไปนี่มันก็จะกลัวกันแหละแต่อันนี้มันก็เป็นบางรายเฉยๆส่วนมากมันก็ไม่ถูกฆ่าตายหรอกเป็นการตอบแทนกันคนผู้ฆ่าผู้อื่นนี่นะอนั่นก็อย่างหนึ่งก็เจ้าหน้าที่เท่านั้นแหละ หนีการจับกลุมต่อสู้เจ้าหน้าที่เข้าไปเขาก็ยิงตายถ้าเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ยังมีชีวิตอยูย่อันนี้มนุษย์เรามันมันหลวมใจเพราะเหตุ น, นี้แหละเว้ทํากรรมชั่วลงไปอย่างนั้นแล้วกรรมชั่วมันไม่ให้ผลปัจจุบันเราเลยไม่กลัวเลยมันเป็นอยางงเนี้ย ผู้เช่นนั้นแหละถึงถึงได้ไปนะรกอบายภูมินะเพราะว่าเมื่อมันทําชั่วลงไปแล้วมันไม่รู้ตัวนี่มันไม่เห็นโทษแห่งบาปกรรมนั้นผู้ใดมาเห็นโทษแห่งบาปกรรมนั้นขึ้นมาได้ตนเองหรือผู้อื่นชี้แจงให้ฟังแล้เห็นโทษตามอย่างนี้เมื่อเมื่อเห็นโทษอย่างแน่แนในใจนนะอธิษฐานใจละเว้นไม่ทํามันต่อไปอีกจนตลอดชีวิตอย่างนี้นะ ถ้าไม่ใช่อนันตริยกรรมแล้วมันก็สามารถละได้บุคคลผู้ละความชั่วเช่นั้นเสร็จแล้วก็ทำความดีให้สูงขึ้นไปภาวนาเข้าไปไม่ใช่ว่าจะไปละแล้วละกรรมชัว่วหนละนั้นแล้วไม่ภาวนาไม่อบรมจิตใจตัวเองอย่างนี้เราไม่ได้มันละไม่ได้หรอกสักหน่อยมันก็บกไปทำชั่วนั้นอีกเพราะว่าไม่ละ กิเลสอันเป็นเหตุให้ทาบาปนั่นนะ่ะเมื่อเหตุมันยังมีอยู่อย่างเนี้มันจะไม่ให้ได้ทําบาปทําชั่วไม่มีอนะผู้ใดจะเว้นจากบาปนั่นได้ก็พราละเหตุแห่งบาปออกจากจิตใจนะละความโกรธนั่นแหละพูดจริงๆ น, นนะละความพยาบาทความจองเวนอย่าให้มีอยู่ในใจเลย ยอมสละลงไปให้เขาเบียดเบียนต้นฝ่ายเดียวซะตนยอมให้เขาเบียดเบียนไม่ไม่ถือว่าเสียเกียรติยศชื่อเสียงอะไรล่ะพราะเราไม่ต้องการเวนผูกพันกันไปในภพในชาติก็ขอย่าให้มันติดสอยห้อยตามไปเลยกรรมเวนต่างๆที่ทําต่อกันในโลกนี้ขอให้แล้วแก่กันไปเลย แล้วต่อไปเราจะไม่ทําแล้วไม่เบียดเบียนใครอธิษฐานใจอย่างนี้เสมอเสมอเวลาไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาแม้ข่าสัตว์สิ่งเดรัจฉานหมูนั่นก็ตามเนี่ยไม่ได้หมายเอาจากข่ามนุษย์หรอกถ่าสิ่งเดรัจฉานมูนี่ถ้าเราภาวนาอธิษฐานใจเล่าเว้นไม่ทํามันอีกต่อไปแล้วจนตลอดชีวิตแหละวัน ด้วยอำนาจแห่งความสัตว์ความจริงอะนี่ขอให้บาปกรรมนั้นจุงลดน้อยถอยเบาบางออกไปจากจิตใจข้าพเจ้าถ้าผู้ใดมันอธิษฐานอย่างนี้เรื่อยๆบาปกรรมที่ทํามาเหล่านั้นเป็นละหุ ก, กรรมนะกตำเบาอ่ะมันก็ค่อยเบาไปเบาไปหมดไปนะถ้าเราภาวนาเข้มแข็งกันไปจริงๆบาปกรรมนั้นตามไม่ทนันเลยคเป็นลโหุศีกรรมไปหมดเลย ในการลาบบาปไม่ใช่ไปลาบแต่ทางกายทางวาจายอย่างเดียวนะต้องลาทางใจด้วยมันถึงจะพ้นเพียงแต่ว่าสมทานศีลไม่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ไมรมักทัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวมุสาวาทไม่ดื่มสุลามีไรเท่านี้แล้วแต่จิตใจนั่นไม่ละบาปไม่อธิษฐานใจละคมชั่ว ตนไม่ทําความชั่วแต่เห็นผู้อื่นทํามาดีใจกับเขาอย่างนี้นะนั่นชื่อว่าเชื้อของบาปมันยังไม่หมดเลย <c oughs> หรือไม่ใช่เรื่องโมโหโทโสอะไรก็ยังมีอยู่เงี่ยแต่ไม่กล้าที่จะไปทุบไปตีไปฆ่าผู้อื่นได้จริงหยกแต่ความโกรธมันยังมีอยู่ในหัวใจอย่างนี้แสดงว่าเชื้อของบาปมันยังมีอยู่มันเป็นอย่างนั้น ถ้าเมื่อเมื่อบุคคลไม่ละไม่เรียนไม่ยามภาวนาทำใจสงบระ ง, งับเจริญปัญญาเคยขึ้นแล้วถ้าไปพ่อคูณกิเลสอันนี้ให้หนาขึ้นแล้วมันก็กลับไปทำบาปของเก่านั้นอีกแหละดังที่คนบางคนน่ะเคยเป็นมาเห็นมาแหละละบาปเหล่านั้นได้มาแล้วแต่เมื่คนขั้นต่อมาแล้วไปคบคนชั่วเข้าไป ไ ป, aw, ไไไป ด, ไดื่มเหล้าเมาสุราใดตัวไรเข้าไปแล้วก็เมื่อเมื่อมันละบาปอย่างหนึ่งได้แล้วมันก็ละได้หลายอย่างเอมันเมื่อมันทําบาปอย่างหนึ่งได้แล้วมันก็ทําบาปอย่างอื่นๆต่อไปได้หมดแั้วแหละอคนเป็นปอย่างนั้นเช่นอย่างมุงคนดื่มเหล้าเมาสุราได้แล้วอย่างนี้นะอันนันจะไม่ให้ทําบาปสี่อย่างนั้นไม่มีมันทำได้เมื่อได้โอกาส เมื่อไดมันทำได้เลยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ใดรักตัวกลัวต่อความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในโลกนี้โลกหน้าแล้วต้องเพียรวยายามละบาปทางคิดใจต้องภาวนาอย่าเพียงไปเว้นบาปแต่ทางกายกบว่าจาเท่านั้น ตองเว้นทางจิตใจให้เด็ดขาดลงไปการที่จะเว้นดางใจได้ก็เพราะมีภาวนาน้อมสติเข้าไปะระลึกเข้าไปหาดวงจิตนูน่นสติปลายาความะระลึกได้นี่นะส่วนมากคนะระลึกไปตั้งแต่ภายนอกนูน่นมันไม่ะระลึกเข้ามาภายในใจิตใจ รเ ล, ลึกไปหาแต่สิ่งที่ตนต้องการปรารถนาไอ้ขึ้นชื่อว่าตัณหาแล้วนั่นมันก็ให้อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่แหละไม่หยุดไม่ยั้งเลยอันที่ตัณหามันจะอยากให้พ้นจากอํานาจแห่งความอยากเหล่านี้ไปนั่นไม่มีมีแต่มันย้อมใจให้อยากอะไรต่ออะไรยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นแหะ มันเป็นอย่างนั้นเดิมมันนะ่ะทีนี้ผู้ใดมีปัญญาได้สดับตรับฟังคําสอนของผู้เท่เจ้าแล้วก็จึงมาพิจารณาเห็นโทษแห่งตัณหาเหล่านี้ว่ามันจะพาไปสู่นรกอภั ย, ยภูมิจริงๆรทีเดียวเห็นด้วยปัญญาของตนเองแล้วมันก็ละบาปทั้งห้าอย่างนั้นได้จริงๆนี่แหละไม่มีไม่มีใคราบาบังข้าพเจ้าแล้วตนเองละมันมันได้เลย พอมันเห็นบาเห็นบุญเห็นคนเห็นโทษ ด, ด้วยตนเองภายในจิตใจนั่นถึงแม้ยังไม่ได้ไปตกนรกในโลกหน้าคนก็ตามนะแต่มันเห็นนรกอยู่ในหัวใจนี่แล้วเมื่อใจมันโลภอยากได้อะไรขึ้นมาอย่างนี้นะมันแสนทุกข์แสนยากเลยแท้มันอยากได้เมื่อมันไม่ได้สมหวังยิ่งเป็นทุกข์หลาย นั่นแหละมันสร้างนารกขึ้นในใจแล้วเมื่อมันโกรธใครขึ้นมาอย่างรุนแรงอย่างนี้ระงรับความโกรธดนดั้นไ่ได้ก็เป็นทุกขโทมนัสยู่นั่นแหละคับแค้นใจจะทำอะไรเขาก็ไม่ได้อย่างนี้นะมันก็เป็นทุกขเดือดร้อนนะเนี่ยนรกอย่าไปอย่าไปเพ่งไปโลกหน้าให้ดูนรกปัจจุบันนี้สัก่อนมันถึงจะกลัวคนเรานะ เมื่อผู้มีปัญญามองเห็นเนียว่าโอ้ความโกรธนี่มันเป็นไฟเป็นของร้อนจริงๆมันทําให้จิตเป็นทุกข์เร่าร้อนอย่างนี้อย่างนี้เออนี่เราไปในนรกก่ะก็เมื่อมันเห็นทอดยิงความโกรธในปัจจุบันนี้แล้วว่าแน่นอนเนี่ยความโกรธนี่ถ้าไว่ละมันแล้วมันจะพาไปนรกจริงๆนรกพระพุทธเจ้าทรงบรรยายไว้ว่าเป็นหมอน้อน้ําร้อนอืม ลุกเป็นเปลวสัตว์นรกตกลงไปแล้วนรกถูกน้ําร้อนลวกไฟเผาเผื่อละลายไปกรรมไม่สิ้นมาเกิดขึ้นมาอีกเอาไปน้ําร้อนลวกอีกไฟเผาเข้าไปอีกกรรมยังไม่หมดก็กลับเกิดขึ้นมาอีกออยู่อย่างนั้น น, ะนี่แหละอันนรกมันไปจากหัวใจนี่อันที่มันจะไปตกนรกน้ําร้อนลวกไฟเผาให้เราร้อนอยู่ อยู่ในนรกนั่นนะเพราะมันสร้างนารกขึ้นในใจนี่เผาจิตใจให้เดือดร้อนอยู่นั่นนะนี่ถ้าบุคคลเห็นว่าจิตใจที่มีกิเลสพุ่มห่ออยู่เนี่ยมันเป็นทุกข์มันเดือดร้อนเนี่ยเขาว่า น, ะนารกนรกะแปลว่าร้อนไม่มีระหว่างนารกนี่นะแปลว่าความร้อนไม่มี ระหว่างท่านจึงได้นามว่านรกหรือนระกะหรือว่านรกนั้นมีแต่ความเสื่อมความเจริญไม่มีเลยนี่อย่างหนึ่งคําว่านรกนั้นดังนั้นผู้ใดไปตกนรกจึงว่าไม่มีความเจริญเลยมีแต่ความเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ย พิจารามันเห็นนรกอยู่ในหัวใจของตนนี่สวรรค์ก็สร้างขึ้นในหัวใจนี่ก่อนถ้าไม่สร้างขึ้นในนี้ไม่มีอยู่ในหัวใจล้วก็โลกหน้าก็ไม่มีเหมือนกันนะเดงันพันิพานก็มีอยู่ในหัวใจนี่เองนะอยู่ในจิตนี่เมื่อละกิเลสหมดสิ้นไปแล้วจิตตรงนี้ก็เป็นนิพพานเท่านั้นเองนะ ก็ไม่ต้องเล่รล่อนมหาที่เกิดใหม่อีกต่อไปมันก็ดับทุกข์เมื่อคนเราหากว่าไม่เกิดอีก แ, แล้วก็เป็นอนวัตหมดทุกกันเท่านั้นเอง